قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ و َ ا ل ْ م َ س ِ ي ح ا بْنُ مَرْيَمَ قُلْ ف َ م َ ن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أ َ ي يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ و َ أ ُ م َ ه ُ إِنْ أَرَادَ أ َ ي يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ و َ أ ُ م ه ُ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا แน่นอนได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วบรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอัลลอ์นั่นคืออัลมาสีบุตรของมรารยัจจงกล่าวเถิด ม, มูฮัมหมัดว่าใครเล่าจะมีอำนาจครอบครองสิ่งใดจากอัลลอ์ได้ หาพระองค์ทรงประสงค์ที่จะทำลายอัลมาซีบุตรของมารยาังและมารดาของเขาและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดและอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองนั้นเป็นสิทธิของอัลลอ์เท่านั้นแลลอ้นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง บรนดาชาวยูวและชาวคริสต์ได้กล่าวว่าพวกเราคือบุตรของอัลล และเป็นที่รักใคร่ของพระองค์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแล้วฉะไหนเล่าพระองค์จึงทรงลงโทษพวกเจ้านึ่งด้วยความผิดของพวกเจ้ามิใช่ชะนั้นดอกพวกเจ้าเป็นสามัญชนในหมู่ผู้ที่พระองค์ทรงบังเกิดมาตัางหากซึ่งพระองค์จะทรงอภัยโทษผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงลงโทษผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอำนาจทางบรมดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างนั้น และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองนั้นเป็นสิทธิของอัลลอ์เท่านั้นและยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะกลับไป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 แท้จริงได้มีผู้แจ้งข่าวดีและข่าวร้ายมาอย่างพวกเจ้าแล้วแล้วรอดันทรงเดชานูภาพเหนือทุกสิ่งว่าอิดฺกาลมูซาริข้าวมิฮียาข้าวมิอิดฺคุรุนิยมต์ะลลอฮฺอาลัยคุมอิดฺจัลล์ฟีคุมอัลบิยาวะจ ك ล م ัคุมมุลุควะจัลลัคุมมุลุค ا วะอัตคมมลัมยูอัตอัฮัมมินีน เราจงรำลึกถึงขนาดที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพึงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีแด่พวกเจ้าเถิดเพราะว่าพระองค์ทรงให้มีบรรดานับีขึ้นในหมู่พวกเจ้าและได้ทรงให้พวกเจ้าเป็นกษัตริย์และได้ทรงประทานแก่พวกเจ้า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 เพราะจะทำให้พวกเจ้ากลับกลายเป็นผู้ขัดถุนพวกเขากล่าวว่าโอ้มูซาแท้จริงในแผ่นดินอันบริสุทธินั้นมีพวกที่โหดเหี้ยมและพวกเราจะไม่เข้าไปในแผ่นดินนั้นเป็นอันขาด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 มีชายสองคนในหมู่ผู้ยำเกรงที่เอาล่อทรงโปรดปรานแก่เขาทั้งสองได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงเข้าประตูนั้นไ ป, ปเผชิญหน้ากับพวกเขาเถิดท่านเมื่อพวกเจ้าเข้าประตูนั้นไปแล้วแน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้ชนะและแดาเอาล้อนั้นพวกเจ้าจงมอบหมายเถิดหาพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา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 าาพรอะองค์ a ตรัสว่าถ้าจริงแผ่นดินนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา40ปีซึ่งพวกเขาจะเหะแร่ร่อนไปในผืนแผ่นดินดังนั้นเจ้ายงย่าเสียใจแก่กลุ่มชนผู้ละเมิด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 อินนีอะคาฟุลลอฮร็อบบิลอามีหากท่านยื่นมือของท่านมาอย่างฉันเพื่อจะฆ่าฉันฉันก็จะไม่ยื่นมือของฉันไปอย่างท่านเพื่อจะฆ่าท่านแท้จริงฉันกลัวอัลเลาผู้เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสา ก, กลโลกอินนีอริดอันตบูอะอิษมีวะอิษมิกฟะตะกูนมินอัศาบินนา แท้จริงฉันต้องการที่จะให้ท่านนำบาปของฉันและบาปของท่านกลับไปและท่านก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ชาวนรกและนั่นแหละคือการตอบแทนแก่บรรดาผู้อาธมแล้วจิตใจของเขาก็คล้อยตามเขาในการที่จะฆ่าน้องชายเขาแล้วเขาก็ฆ่าน้องชายของเขา ดังนั้นเขาจึงกลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ขาดทุนแล้ว ب แล้วลอรก็ได้ส่งนกกาตัวหนึ่งมาคุยหาในดิน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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل ن ف س ا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحي الناس جميعا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 ก็เสมือนว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งมวและผู้ใดไว้ชีวิตนั้นก็เสมือนว่าเขาได้ไว้ชีวิตมนุษย์ทั้งมวและแท้จริงนั้นบรรด า, าศาสนาทูตของเราได้นำหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาแล้วแต่ยังมีจำนวนมากมายในหมู่พวกเขาเป็นผู้ฟุ่มเฟือยในแผ่นดินอินน์มะจ่าอัลลินีฮาริบลลฮวาละ رسوله ويسعون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 หรือถูกตรึงบนไม้กางเขนหรือมือของพวกเขาและเท้าของพวกเขาจะถูกตัดสลับข้าหรือถูกเนรเทศออกไปจากแผ่นดินนั่นก็คือพวกเขาจะได้รับความอับปยตในโลกนี้และจะได้รับการลงโทษอันใหญ่หลวงในปรโลกูกอัลลอฮฺ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 โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงยำเกรงล้อเถิดและจงสแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์และจงต่อสู้ในทางของล้อเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จออินนลลลดา ت ت ถ้าจริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัตนั้นหากพวกเขามีสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดและมีเยื่งนั้นอีกรวมกันเพื่อจะใช้มันไถ่ตัวให้พ้นจากการลงโทษในวันกิยามะแล้วมันก็จะไม่ถูกรับจากพวกเขา เ ข, เ, เขาเหล่านั้นปรารถนาที่จะออกไปจากไฟนรกแต่พวกเขาก็หาได้ออกไปได้ไม่และสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษที่คงอยู่ตลอดไป ขโมยชายและขโมยหญิงนั้นจงตัดมือของเขาทั้งสองคนทั้งนี้เพื่อตอบแทนในสิ่งที่ทั้งสองได้แสวงหาไว้เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างการลงโทษจากอัลลอ์และอัลลอนั้นทรงเดชานุภาพ ทรรงปิิชายายแล้วผูใ้ใดสานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวหลังจากที่เขาได้อาทธรและปรับปรุงแก้ไขแล้วแท้จริงอลัลลอ์นั้นจะส่งอภัยโทษให้แก่เขาแท้จริงอลัลลอ์นั้นเป็นผู้ส่งอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ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 และจะทรงอภัยโทษให้แก่ใครก็ได้ที่ประรงค์งประสงค์และร้อนนั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งยอุนนลลมบบ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا ف َ ق ُ د ُ و ه ُ وَإِنْ لَمْ ت ُ ؤ ْ ت َ و ه ُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ ل َ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا อุล่าอิค الذين لم يرد ا ل ل ุ أي طهّر قلوبهم لهم في الدنيا خزي و لهم في الآخرة عذاب ع ظ ي ีมโอศาสนาทูตเอ๋ยจงอย่าให้เป็นที่เสียใจแก่เจ้าซึ่งบรรดาผู้ที่รีบเร่งกันปฏิเสธศรัทธาจากพวกที่กล่าวในปากของพวกเขาว่าพวกเราศรัทธาแล้ว โดยที่วัจใจของพวกเขาไม่ได้ศรัทธาและจากพวกที่เป็นยิวด้วยโดยที่พวกเขาชอบฟังคํามุูาชอบฟังพวกอื่นที่ไม่ได้มุ่งมหาเจ้าพวกเขาบิดเบือนถ้อยคําหลังจากที่มันถูกวางไว้ในที่ของมันพวกเขากล่าวว่าหากพวกเจ้าได้รับสิ่งนี้ก็จงเอามันไว้และถ้าหากพวกเจ้าไม่ได้รับมันก็จงระวัง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 فَإِنْ جَاؤُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ تُعْرِضْ بِالْقِسْطِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يُحِبُّ اللَّهَ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ พวกเขาชอบฟังคำโพหกชอบกินสิ่งต้องห้ามถ้าหาพวกเขามาหาเจ้าก็จงตัดสินระหว่าพวกเขา หรือไม่ก็จงหลีกเลี่ยงพวกเขาเสียและถ้าหากเจ้าหลีกเลี่ยงพวกเขาพวกเขาก็จะไม่ให้โทษแก่เจ้าได้แต่อย่างใดเลยและหากเจ้าตัดสินก็จงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ยุติธรรมคักมุนวดมุตเตอรรตฟีฮฮุมุลลอฮ์ทุมตวัลนมิลบาดดกวมอลบิลมุมิน อย่างไรเล่าที่พวกเขาจใจเจ้าตัดสินทั้งๆที่พวกเขามีคำพีตะรอดอยู่ซึ่งในนั้นมีข้อตัดสินที่ขาดของอรรร์อยู่แล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็พินหลังให้ชนเหล่านี้แหละหาใช่เป็นผู้ศรัทธาไม่อินนาอัลเลาะห์อร์รฟีฮะดอูร์นูร์ย่ำคุมบิฮะลลับยุนัลเลดีนอสลามูลิลเลดีนฮัดู والربانيون والأحبار بمستحفظ من كتاب الله بمستحفظ و من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتروا ب آ ي ا ت ثمن ا قليل ومن لم ي ح ك م ن بما أنزل الله فأولئك هم الكافر จริงเราได้ให้คัมภี้ยเตารอดลงมาโดยในนั้นมีทางนําและแสงสว่างซึ่งบรรดานาับีที่สวามิภักดิ์ได้ใช้คัมภีรยเตารอดตัดสินบรรดาผู้ที่เป็นอยู่และบรรดาผู้ที่รู้แจ้งในเรื่องของอัลลอฮ์และนักปราชญ์ทั้งหลายก็ได้ใช้คัมภี้ยเตารอดตัดสินด้วยเนื่องด้วยในสิ่งที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้รักษาไว้นั่นคือคำเพีร์ของอัลลอฮ์และพวกเขาก็เป็นพยานยืนยันในคัมภีร์นั้นด้วย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 َالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالْسِّنَّ بِالْسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصِ كَفَّارَتُ اللَّهِ بِمَا اللَّهُ الظَّالِمُونَ لَمْ أَنْزَلَ فَمَنْ فَهُوَ بِهِ وَمَنْ فَأُولَٰئِكَ يَحْكُمْ تَصَدَّقَ هُمُ เราได้บัรยัติแก่พวกเขาไว้ในคัมภีร์นั้นว่าชีวิตด้วยชีวิต ตาด้วยตาจมูกด้วยจมูกหูด้วยหูฟันด้วยฟันและบรรดาบาดแผลก็มีการชดเชยเช่นเดียวกันและผู้ใดให้การชดเชย น, นั้นเป็นทานมันก็เป็นสิ่งที่ลบล้างบาปของเขาและผู้ใดไม่ได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาแล้วชนเหล่านี้แหละคือผู้อาอลาจรำ ابن م ر ْ يا مصدّق َُ لما َ بين يديه من التوراة، وآتيناه َ الإنجيل فيه ه د ً ى ونور، ومصدّق َ لما َ بين يديه ِ من ِ التوراة ْ و َ ه ُ د و ى وموعظة للمتقين. َُّ และเราได้อีซาบุตรของมารายามตามหลังพวกเข้ามาในฐานะเป็นผู้ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเขาคือคำพินเตาร์ลและเราได้คำพิ์อินยิลแก่เขาซึ่งในนั้นมีทางนำและแสงสว่างและเป็นที่ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้ามันคือคำพินเตาร์ลและโดยเป็นทางนำและคําตักเตือนแก่ผู้ยําเกรงทั้งหลายลลยุลมอ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 لكل جعلنا منكم شرعته ومنهاجا ولو شاء الله ل ج ع ل ك م أمته واحده ولكن ولكن ليبلوكم في ما أتاكم فاستبقوا الخيرات Um an, um um และเราได้ประทานคำพีลงมาให้แก่เจ้าด้วยความจริงในฐานะเป็นที่ยืนยันคำพีที่อยู่เบื้องหน้านั้นและเป็นที่ควบคุมคำพีเบื้องหน้านั้นดังนั้นเจ้าจงตัดสินระวางพวกเขาด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานลงมาเถิดและจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ตามของพวกเขา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 อย่างอัลลอ์นั้นคือการกลับไปของพวกเจ้าทั้งหมดแล้วพระองค์จะส่งแจ้งให้พวกเจ้าทราบในสิ่งที่พวกเจ้ากำลังขัดแย้งกัน ي ي ب ب ب และเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมาเถิดและจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่างของพวกเขาและจงระวังพวกเขาในการที่พวกเขาจะจูงใจเจ้าให้เฉออกจากบางสิ่งเทียอลลอฮได้ทรงประทานลงมาให้แก่เจ้า และท้าหาพวกเจ้าผิดหลังให้ก็พึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอ์นั้นเพียงประสงค์ที่จะให้ประสบแก่เขาซึ่งบางส่วนแห่งความผิดของพวกเขาเท่านั้นและแท้จริงมีจำนวนมากมายในหมู่มนุษย์นั้นเป็นผู้ทำชั่วเอฟะฮุคมัลจาฮิลตยะดุุวะมันอัหฮซันุมินอัลลอฮีฮุคฺมลิ قوم ี ข้อตัดสินสมัยยาฮิลิยากระ น, นั้นรือที่พวกเขาปรารถนาและใครเล่าที่จะมีข้อตัดสินที่ดียิ่งไปกว่าลอสำหรับกลุ่มชนที่เชื่อมั่นต่ออัยยล ت ت นนอลฮอฮา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 ถ้าจริงละนั้นจะไม่ส่งให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาจทำตรัสว่าผูี่ในหัวใจของพวกเขาเป็นนที่ปยะรีบรนนพกเขาพูดว่าเราาดกลัวว่าะเามโศก้าดัันพะเจ้าจึงทรงริอะห แล้วเจ้าจะได้เห็นบรรดาผู้ที่ในวัตใจของเขามีโรคต่างรีบเร่งกันไปอยู่ในหมู่ของพวกเขาโดยกล่าวว่าพวกเรากลัวภัยพิบัติจะเวียนมาประสบกับพวกเราอาจเป็นไปได้ว่าอัลลอ์นั้นจะนำมาซึ่งชัยชนะหรือไม่ก็นำพระบัญชาอย่างใดอย่างหนึ่งจากที่โปรง และพวกเขาก็กลายเป็นผู้เสียใจต่อสิ่งที่พวกเขาปกปิดไว้ในใจของพวกเขามนุษยผู้ทิ่สตากล่าวว่าชนเหล่านี้หรือคือผู้ทิสาบานต่อหลออย่างจริงจังว่า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 อัลเลَ ل อั ل ลาม م เอ ن ي ن อัลกอสต์อัลล์คาฟรินยุ ف ي ยฮ์ดุนฟิสบิลิลลาฮิและยาข้า و ุนโล ت ل ต ا ئ ِ م ์ ذلكفضلاللهيؤتيهمييشارواللهواسععليم อบานาพุสทาทงลาย ผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกจากศาสนาของเขาไปอลลอ์ก็จะทรงนำพวกหนึ่งมาซึ่งพระองค์ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์เป็นผู้นอบน้อมต่อบรรดาผู้ศรัทธาเข้มแข็งต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาจะต่อสู้ในหนทางของอลลอฮ์และไม่กลัวการตำหนิของผู้ใด น, นั่นคือความโปรดปานของอลลอ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานมันให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ แ ล, ล้วลอนั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ท่านรจงผู้ที่เป็นมิตรของพวกเจ้านั้นคือ Allah, อัลลอ์และรอซูลของพรุ่งและบรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติละหมาด และชำระอากาศขณะเดียวกันก็เป็นผู้นอกน้อมผู้ใดให้อลและรอสูรของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาเป็นวิตแล้วใสแท้จริงพักขออลัลลอฮ์นั้นคือผู้ชนะ